เพิ่งพากันตั้งใจให้ดีแม้หนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องทำความสงบแล้วดังนั้นอย่าพากันนั่งงกนั่งง่วงอยู่ไม่ได้เรื่องนะต้องปุกกายปุกใจตัวเองให้ตื่น อยู่เสมออย่าให้ความง่วงเข้าครอบงำการภาวนาเนะี่ยมันจึงจะได้ผล <c oughs> หรือนี่ฉะนั้นก็อย่าปล่อยจิตของตนให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไป ต้องมีสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนไกลว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนอย่าลืมเมื่อเรานั่งภาวนาเข้าไปนะต้องนึกอธิษฐานในใจนะถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนไกลนี่ขอให้จิตของข้าพเจ้าสงบระงับลงเป็นสมาธิขอให้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในยศยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ตามกำลังความสามารถอันนี้ต้องอธิษฐานในใจฝึกใจของตนให้มั่นอยู่ในคุณเหล่านี้การที่เราอธิษฐานใจถึงคุณแก้วสามประการนี้ก็เพราะเราจะฝึกเกียไต้ให้ มีความเรื่มใสมั่นในคุณพระตนาไกลเป็นพื้นฐานของการเจริญสมาธิภาวนาให้เข้าใจถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีจิตใจมันก็จะไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ <c oughs> อุ ป, ปมาเหมือนอย่าง อาคารบานช่องถ้าหากว่าพื้นไม่แข็งแรงได้ยางนี้มันก็นั่งก็อ น, นอนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะหักมันจะทะลุลงไปอย่างนี้นะใครจะไปกล้านอนอยู่นั่นนะไม่ได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้ ถ้าไม่มีคุณธรรมอันแข็งแรงเป็นพื้นฐานอยู่มันก็สร้างอยู่ไม่ได้ภายในกายนีนะ้คนส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นจิตมันถึงไม่ตั้งมั่นลงไปงนั่นั้น ผู้ปฏิบัติธรรมให้พึงเข้าใจเรามาปฏิบัติธรรมนี้่เพราะเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เราจึงได้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนเห็นให้ทานก็ดีรักษาสินห้าสินแปดหรือสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ด ตามเพศตามภูมิของตนก็ดีวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาหรือทำกิจจวัตรอย่างอื่นๆหมนีร่วนแต่เราเชื่อเราเลื่อมใสในพระคุณทั้งสามนั้นก็จึงยินดีกระทำพูดสั้นๆว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่ออุด เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถ้าเป็นนักบวชกเ็เรียกว่าตั้งเจตนาบวชเพื่ออุทิศ ต, ต่อพระศาสดาและพระธรรมและพระสงฆ์โดยตรงเลยไม่ได้บวชอุทิศให้แก่ใครไม่ได้บวชเฉพาะใคร ให้เจาะจงลงในใจอย่างนี้แสดงว่าใจนั้นไ ม, ม่มีพื้นฐานหละถ้าหากว่ามันทำในใจอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปใจก็มีคุณพระรัตนาใจเป็นพื้นฐานเป็นที่พึ่งอย่างมั่นคงนี่นะขอให้เข้าใจกัน เอาแล้วคุณพระรัตานไากลยอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ใจนั่นแหละอยู่ที่ใจเรื่มใสอันพระคุณนั้นไม่มีไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมาเป็นความรู้สึกนึกคิดของดวงจิตผู้มีความเชื่อความเรื่อมใสเมื่อนึกถึงพระคุณของอระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ ก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นย่อมทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างนี้จริงๆโดยเฉพาะก็คือพระอรหัตคุณเพราะคุณคือความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาน้นยใหญ่จากพระคตสันดาลของพระองค์นั่นนะนี่จะเรียกว่าพระองค์ได้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ข้อนี้จริงๆอย่างนี่นเราเชื่อเมื่อพระคุณนั้นคืออรหัตคุณนี้มีแล้วเราเชื่อว่ามีแล้วพระคุณนอื่นๆก็มีไปตามกันบัด น, นี้นะเช่นพระคุณได้แก่ความบริสุทธิ์ได้แก่ความเอ็นดูสงสารสัตว์โลกทั้งหลาย นละอิทธิปฏิหารต่างๆความรู้แจ้งในสัพพเยธรรมทั้งหลายโมนีกะระวนเตเป็นพระคุณหน้านามของพระองค์ทั้งนั้นเลยดังนั้นแหะจึงปรากฏขึ้นว่าพุทธโธนี่นะเนอพระคุณอื่นๆทั้งเก้าประการนันนะก็ยังปรากฏขึ้นในพระไทยของพระองค์ ดังนั้นนะผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระคุณของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อผู้ใดมาเพ่งอยู่ภายในเห็นแจ้งในพระคุณอ น, นี้อยู่ภายในสามารถทําใจให้สงบได้ เดียวว่าใจมันสงบลงได้เมื่อเพ่งพุทธคุณนี่อยู่ในปัจจุบันแต่อยเพ่งออกไปข้างนอกก็แล้วกันก็สามารถทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้ที่ท่านแสดงไว้ในอนุสตีสิบนั่นนะอนุสตีสิบนี้เป็นธรรมถกรรมฐานเพราะฉะนั้น นักปราชญ์ท่านจึงย่นย่อให้เพื่อให้จิตมันสงบลงได้เร็วก็วให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปให้ติดติ ด, ต, ดต่อต่อกันไปอย่าให้ลืมพุทโธนั่นแหละก็ชื่อว่าเป็นผู้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าโดยยอ่อเพื่อให้ใจมันสงบลงเร็วนั่นแหละ ถ้าหากว่าจิตนี้มันยังไม่ชำนาญในการะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างพิสดารล้วก็พยายามคิดบ้างแหละคิดเพื่อให้จิตมันรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงพระพระคุณอะไรบ้างอย่างนี้ถ้าว่าโดยย่อแล้ว ก็คือพรพระปัญญาคุณหนึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณหนึ่งพระมหากรุณาคุณหนึ่งนี่พระคุณทั้งสามประการนี้ย่อมมีบริบูรณ์อยู่ในพระขันธสันดานของพระองค์เรียบร้อยไปเลยแล้วพระคุณ อื่นๆก็มารวมลงในพระคุณสามประการนี้เองดังนั้นเราควรระลึกให้รู้ให้เข้าใจพระปัญญาคุณนั่นหมายเอาที่พระองค์มีพระปัญญาปรีชาสามารถละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้แล้วก็มีปฏิพานวโหาร แสดงธรรมะที่พระ อ, องค์เจ้ารู้แจ้งแล้วนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังได้ตามต้องการและมีพระปัญญาปรีชาสามารถโต้ตอบปัญหาธรรมะที่มีบุคคลมากลาบทูลถามโมนี้พระ อ, องค์ไม่ขัดข้องเลยตลอดถึงเทวดานมาทูลถามปัญหา ของพระองค์ในตอนเที่ยงคืนพระองค์ก็ทรงที่แจงหรืออธิบายปัญหาข้อข้องใจของเทวดานั้ น, น, นให้เทวดาเหล่านั้นได้หายข้องใจในธรรมะบางอย่างนี่เรียกว่าพระปัญญาคุณ การที่พระองค์เจ้าทำความภาคเปียนไมยามละอาสวะกีเลสจนหมดสิ้นไปจากพระไทยไม่มีเหลือแม้แต่น้อยเดียวอันนี้ท่านเรียก ว, ว่าพระวิสุทธิคุณเพราะคุณคือความบริสุทธิ์ของพระองค์ดูๆอย่างนี้กันแล้วกันเนี่ยในตอนต้น ก, ก็พอจะรู้ได้เลยว่า พระองค์ละกิเลสได้จริงเหรือเนี่ยพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเพียบพร้อมไปด้วยพอค้าสมบัติบริสัท์บริวารอัคคไมเหสีเทวีผู้สวยงามหยดจ้อยตลอดถึงพระราชาอำนาจ ก็แผ่ไพศาลไปแล้วนะมิซัมสมบัติจั ก, กรพรทลิราชก็จะเกิดขึ้นแก่พระองค์ถ้าหากพระองค์ไม่เสด็จออกบวชนะถึงกับนั่นพระองค์ก็ไม่ยือใหญ่เลย <c oughs> อันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณ เพราะคุณคือความบริสุทธิ์ของพระองค์คนธรรมดาสามัญนี่สละไม่ได้เลยสมบัติอันมโหฬารอย่างวันเช่นปราศาทตรอย่างนี้ก็พระเจ้าสุธโธธนะพระบิดาก็สร้างให้อยู่ถึงสามฤดูฤดูร้อนก็สร้างแบบปลอดโปร่งให้มีหน้าต่างรับลม หลายแห่งอย่างนี้นะแล้วมีห้องสากอากาศ เ, าเมื่อฤดูฝนมาก็ทรงสร้างปราสาทอีกหลังหนึง่งให้ประทับอยู่ในฤดูฝนก็ต้องป้องกันละอองฝนที่จะพุ่งเข้าไปถูกพระวรากายของพระองค์ป้องกันลิ้นยุง สัตว์ต่างๆที่ไปจะไปรบ ก, กวอนอะไรนี่ถึงฤดูหนาวก็ทรงสร้างปราสาทหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูหนาวแล้วไม่ไมหนาวอบอุ่นดีนนเนี่ย ปราสาททั้งสามหลังนั้นพระองค์ยังไม่เยื่อใยอะไรเลยยอมสละออกไปบวชแล้วสิ่งที่อะไรอย่างยิ่งก็คืออคคมเหสีกับพระราชโอรสซึ่งประสูตรในวันนั้นแท้ๆแล้วพระองค์ยังตัดสินพระทัยสละออกไปได้นี่แสดงถึงความเป็นผู้ สิ้นอาศาวะของพระองค์เห็นได้ชัดๆเลยอันนี้นะส่วนภายในสัทัยของพระองค์ก็ยากที่จะมีผู้เห็นได้เราเห็นสังเกตดูกิริยาอาการที่พระองค์ได้ทรงกระทำภายนอกนี่ก็พอเป็นเครื่องชี้ให้เห็นแล้วว่าพระองค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสได้จริงๆ เมื่อพระ อ, องค์ละอัสวะกิเลสทรรมพระไทยหรือว่าดวงใจของพระ อ, องค์ให้บริสุทธิ์ฟุดฟ่องเต็มที่แล้วก็ทรงนึกเอ็นดูสงสารสัตว์โลกผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาครอบความจิตใจอยู่มากมายเช่นนั้นแล้วกระทรงพิจารณาเห็นว่าคนในยุคนั้นน่ะ เป็นผู้มีบุญมีอยู่เป็นจํานวนมากแต่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรคนธรรมวิเศษได้เพราะว่าเป็นพระสาวกแปลว่าเป็นผู้สดับตรับฟังจากพระศาสดาแล้วลงมือปฏิบัติตามจึงสามารถบรรลุมรคนิพพานได้ซึ่งไม่เหมือนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั่นพระองค์แสวงหาทางจัดสรูปสัมมาสมัมโปวิยาณด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสัสอนเพราะใครสมัยนั้นยังไม่มีใครที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้โดยลําพังตนเองก่อนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยนั่นไงดังนั้นจึงไม่มี ใครที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนพระองค์ได้เมื่อพระองค์บริสุทธิ์พุทธพองอย่างนั้นแล้วก็นึกถึงสัตว์โลกอย่างว่านั้นนี่ผู้มีกิเลสอยู่ก็จึงได้อุตส่าห์เสด็จไปแสดงธรรมให้คนเหล่านั้นฟังเริ่มตั้งแต่กรุงราชคฤห์มานครเป็นต้นไป ที่ทรงแสดงธรรมต่อจากนั้นก็สเสด็จไปตามหัวเมืองต่างๆผู้มีศรัทธามีบุญวาสนาได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเวลานี้พระองค์สเสด็จมาประทับอยู่ใกล้บ้านของตนก็ชักชวนกันไปเฝ้าฟังพระธรรมทเทศนาเป็นจำนวนมาก พระองค์ก็ไม่ได้อ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่าเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรอย่างนี้พระองค์ก็ทรงตั้งอยู่ในพระเมตตาพระกรุณานี่แหละเอ็นดูสงสารสัตว์โลกทั้งหลายเป็นกำลังดังนั้นจึงสู้ทนแสดงธรรมที่บรรลุแล้วนั้นโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกอื่น จนว่าพระคุณพระพระเกียรติคุณของพระองค์นี่ระเบือไปทั่วทุกแข่งทุกคนก็โดยที่พระองค์เจ้าเมื่อตัดรู้แล้วพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่แต่ที่เดิมพระองค์ก็ไม่ได้คิดสวยวิมุติสุขแต่รำพังพระองค์เอง งองุตสาห์จาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่เพราะสมัยนั้นไม่มีรถยนต์กลไกอะไรเลยมีก็มีแต่รถมา้าทรงห้ามรถม้านั่นนะเพราะมีสัตว์ปานะรากไปทำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ลำบากลำบนนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงห้าม มให้ภิกษุสามเณรเดินทางไปในยานแม่พระองค์ก็เสด็จด้วยพระบาทเหมือน ก, นกันกับพระสงฆ์เว้นเสียแต่บางคราวที่ทรงแสดงพระปฏิหารให้มันทันกับการกับเวลาเส้นหอก เ, เดินอากาศเมื่อมีกิจเรียบด่วนพระองค์ก็ เข้าชานแล้วเหาะไปเลยแม้ระสาวกก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าพระมหากรุณาคุณพระองค์ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากแต่อย่างใดนี่พระคุณทั้งสามเนี่ยย่อมมีบริบูรณ์อยู่ในพระขันสัพสันดานของพระองค์ ดังนั้นเราเป็นพุทธบริษัทควรพากันระลึกถึงพระคุณสามประการโดยย่อของพระบรมศ า, าสดานี้ให้รู้ให้เข้าใจสราบซึ่งจริงๆวันนี้เมื่อเข้าใจเรื่องใสแล้วทำอย่างไรเราจึงถึงคุณพระรัตนกรายเป็นดีเพิ่งได้ไม่ยาก ก็เข้าไปในวัดได้ดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็ไปจุดบูชาพระรัตนกรกลกล่าวคำปฏิ ญ, ญาณตนถึงคุณพระรัตนกรกลเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตต่อหน้าพระสงฆ์สามเณร น, นั่นแหละหรือไม่ฉะนั้นกล่าวคำปฏิ ญ, ญาณไม่ได้หรือตอนเองก็ขอนิมนพระสงฆ์ ผู้เป็นประมุขประธานนั่นแหะเป็นผู้กล่าวนำอย่างนั้นอันนี้แหละที่พระศาสดาทรงสร้างพระบรมีมานานแสนนานก็เพื่อที่จะมาช่วยพระองค์และช่วยบุคคลอื่นให้พ้นจา ก, กอำนาจของกิเลสตัณหามานทิฐิต่างๆ <c oughs> แล้วให้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถของตนบางท่านที่มีอุปนิสัยวาสนาเต็มมาแล้วนั้นพอได้ฟังทำนิดหน่อยก็ได้บรรลุอรหัตผลแล้วผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ เมื่อได้ฟังคำสอนแล้วก็จดจำเอาไปกระพติปฏิบัติตามเมื่อพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาได้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดด้วยอาการอย่างไรแล้ววันนี้ก็ช่วยเทศนาแนะนำสั่งสอนพระศกนิกรนั้ น, น, น พระช่วยพระศาสด า, าเทสนานะนำสั่งสอนให้ชนนี้ก่อนนั้ น, น, นได้สดับฟังแล้วปฏิบัติตามจนละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศบัง่งโดยสินเชิงบัง่งกล่าวนามตามภูมิที่ละกิเลส้ น, นั้นว่าพระโสดาบันพระสะกิทาคามี พระอนาคามีพระอาราหันต์นี่แหละพระสงฆ์จึงชื่อว่ามีพระคุณแก่พุทธศาสนิกชนคือแก่ทายกทายิกามากทีเดียวเพราะว่าได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังด้วยแล้วก็ทั้งได้ลงมือปฏิบัติ เป็นแกนนำพุทธบริษัทอีกด้วยดังนั้นพระสงฆท์ท่านมีอันเป็นไปพุทธศาสนิกชนก็ต้องมีความจงรักภักดีอะไรอาวร์ท่านเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาเห็นพระคุณทั้งสามนี้ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้ว ก็ตั้งใจทำความเลื่อมใสมั่นอยู่ภายในในขณะเดียวกันก็นกนละความชั่วตามนั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้เลื่อมใสถ้าเลื่อมใสเฉยๆไม่ละความชั่วไม่ละกิเลสตัณหาให้เบาบางออกไปก็ได้ชื่อว่ายังอถึงคุณพระรัตนกายนี้เป็นที่พึ่งเต็มที่ไม่ได้เลยถึงกระถึงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเนี่ย ดังนั้นนะให้เพึ่งพากันภาวนาลงไปเราได้อาศัยอัตภาพร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องประกอบความเพียรถ้าหากว่าดวงกิดนี้ไม่ได้มาอาศัยร่างกายอันเป็นมนุษย์นี้แล้วเราไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้เลยนี่ผู้ดใด ได้เกิดมาเป็นคนแล้วได้มาพกศาสนาอย่างนี้ให้ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆดังนั้นเราไม่ควรให้ชีวิตนี้มันล่วงโรยไปเสียเปล่าโดยไม่ได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาจนทาอาสวะกิเลสหยามหยาบนั้นให้น้อยเบาบางออไปจากกิจใจ <c oughs> แล้วก็เมื่อท่านผู้ใดท่านได้รู้ได้บรรลุคุณวิเศษตามกำลังความสามารถของตนแล้วท่านก็ไม่นิ้งนอนใจเหมือนกันนะก็ช่วยเทศนาช่วยพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศานะเทศนาสั่งสอนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นะ นี่เป็นพระคุณของพระสงค์สาวกถ้าหากว่าพระไม่มีพระสงค์ออกบวชสืบต่อกันมาจนถึงบัดนี้พวกเราก็ไม่มีทางหรอกที่จะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่การอาพระสงค์นั่นแหละศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาพระธรรมคำสอน เมื่อได้พอสมควรแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามนะเพราะฉะนั้นทายกทายิกาก็จึงได้รู้แนวทางปฏิบัตินั่นเอดังนั้นพระสงค์จึงชื่อว่าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกแทนพระศาสดา ที่พระ อ, องค์เสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยความไม่ประมาทก็จะทำให้อาสวะกิเลตันหาน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในสันดานนั้นล่อยหลอไปเบาบางไปมัปนเป็นงั้น เพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่อย่าไปย่อท้อในการปฏิบัติธรรมเราต้องอดทนอดไม่คิดนะเอ้าในตอนต้นนี่เราน้อมสติเข้าไปเมื่อเรา พันานาหรือเรารู้ทราบซึ่งในพระคุณทั้งสามนั่นแล้วก็มุ่งหน้าต่อความสงบเป็นที่ตั้งแล้วบนี้นะนน้อมสติเข้าไปภายในใจก็อดทนอดไม่คิดน้อมสติเข้าไปประคองจิตอยู่ภายในจิตนี่เมื่อมีสติประคับประคองอยู่แล้วมันก็สงบไม่ไปไหนอน จิตนด้ถ้าขาดสติสัมปสัญญะแล้วตั้งอยู่ไม่ได้เลยละระลึกถึงบุญะระลึกถึงคุณอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าสติในที่นี้หมายเอาสติที่มาะระลึกถึงบุญถึงคุณถึงความดีอันสติะระลึกไปในทางความชั่วนั้นไม่มีประโยชน์อะไรดฉะนั้นเราต้องฝึกความะระลึกนี่ให้มันมาในทางที่ดี อย่าระลึกไปในทางที่ชั่วอย่างนี้แหละ <c oughs> ระลึกเข้ามาเห็นกายในกายว่าไม่ใช่ตัวตนเราเข า, าระลึกเข้ามาดูเวทนาสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกขเป็นอารมณ์ว่าเวทนานี่ก็สั ก, กว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขามีสติระลึกเข้ามาดูจิตดวงนี้ จิตตรงนี้ตั้งอยู่อย่างไรมันตั้งอยู่เบิกบานได้ไม้มหรือมันง่วงในขนาดนี้อาศัยสตินั่นแหละประคองจิตเตือนจิตไว้ไม่ให้ความง่วงครอบงำเพชจาณาจิตนี้ก็สั ก, กว่าจะจิตจิตที่เศร้าหมองหรือจิตที่ผ่องใสก็ตามก็สั ก, กว่าจะจิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไร พยยามน้อมสติระลึกถึงความคิดลึกภายในจิตใจนี่ท่านเยวกวธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันอย่างนี้นะเนี่ยการฝึกสตนะิก็ให้เป็นขั้นๆไป ทีแรกฝึกสติสัมปชัญญะระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ให้พลาดทั้งไปทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจานี่เรียกว่าสติในขั้นต้นเนี่ยสติในขั้นต่อมานี่เป็นสติระลึกเข้ามาภายในกายแบบนี้นะนน เ, นเพื่อให้จิตนั่นมันเห็นมันรู้อยู่แต่ภายในกายนี่อย่าให้มัน ส่งจิตไปรู้เรื่องภายนอกนู้นอยู่ล่ำไปอันนั้นจิตสงบไม่ได้ถ้าส่งจิตไปรู้อยู่แต่เรื่องภายนอกสงบไม่ได้เลยเมื่อมีสติประคับประคองจิตให้มาระลึกเพ่งดูเจตในภายในกายอันนี้ภายในเวทนาภายในจิตภายในธรรมรมณ์อันนี้ อันนี้เราจะทำใจสงบลงได้ <c oughs> เพราะมาเห็นร่างกายนี่ปรากฏว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาจริงจังมีแต่ของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยดูอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะมันก็จะเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายไม่ไม่พอใจที่จะมายึดถือ ว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยเมื่อเท่นนี้เป็นยังไงล่ะก็น้อมลงสู่ความสงบแล้วถ้าเขินไปคิดไปวิตกวิจารณ์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเจ็บตรงโน่นปวดตรงนี้อะไรอยู่นั่ น, นะ จิตก็สงบลงไม่ได้ก็แสดงว่ามันไปยึดมั่นอยู่ในร่างกายนั้นดังนั้นเมื่อเห็นแจ้งขึ้นในใจแล้วก็โปรงวางเลยไม่ต้องวิจารณ์มันต่อไปอีกแม้จะพิจารณาทุกขเวทนาก็เหมือนกันนะเมื่อเห็นแจ้งดำเป็นจริงแล้วมันจะดับไปก็ตามไม่ดับก็ช่างแล้วก็หยุดคิดหยุดวิจารณ์ ปรงวางลงอออดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนานั้นนั้นความอดกั้นทนทานไม่วันไหวไปตามอันนี้แหละเรียกว่าปรงว่าวางเวทนา <c oughs> แมนเวทนานั้นมันจะยังปรากฏอยู่ในความรู้สึกของดวงจิตนี้ก็ตามแต่เมื่อจิตนี้ไม่วันไหวแล้ว ก็เรียกว่ารู้เท่าทุกขเวทนาตามเป็นจริง เ, เมื่อรู้เท่าอย่างนั้นจิตก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโศกเป็นอย่งนั้นามาเพ่งดูจิตเสียเองเลยวันนี้นะนั่นนะ <c oughs> ดวงจิตที่เป็นผู้สวยสุขสวยทุกข์อันนี้เนี่ สำคัญมากนั่นนะเดี๋ยว่าเพ่งดูตัวเองไปนี้นะเมื่อเพ่งดูเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีตัวตนแก่นสารอะไรเลยออ่าเมื่อมันไม่มีตัวตนอย่างนั้นทําไมมันมีอิทธิพลเลอเกินนะสามารถบันดาลให้ร่างกายนเคลื่อนไหวไปมาทําดีทําชั่วได้อนี่แหละก็ก็มันมีอนุภาพอยู่ในตัวของมันเองนะจิตเนี่ย ตั้งแต่เริ่มเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานั่นแหละมานะแต่ไปเกิดเป็นสัตว์มันก็เลื้อยคลานไปได้หรือมันถ้าเป็นนกเป็นสัตว์มีปีงก็บินไปได้อย่างนี้แหละถ้ามีแข้งมีขามันก็เดินไปได้ <c oughs> เพราะอนุภาพของกิดดวงนี้เองเนี่ยจนว่าพัฒนาการ ตัวเองมาจนได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็น้ำหนักตัวของคนเราพวกหนึ่งนี้ถัวเฉลี่ยแล้วก็ไม่ต่ำกว่าสี่สิบกิโลขึ้นไปจนถึงร้อยกิโ ล, ล น, นั่นนี่จิตได้ยังบันดาลให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาได้คล่องแคล่วดีอยู่นะนี่แหละ ดังนั้นนะการเพ่งพิจารณาจิตนี่จึงสำคัญนะเพราะมันมีอนุภาพมีที่พ้นนั่นแหละถ้าเรานั่งสมาธิเข้าไปทำใจให้สงบลงอย่างนี้ปรากฏว่าตัวนั้นเบาเออนั่นเลถ้าจิตบรรลุถึงฌานสมาบัตริรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ ได้เต็มที่อย่างนี้นะสามารถทำกายนี้ให้เบาเหมือนนุ่นเหารลอยไปในอากาศได้ตามประสงค์เลยปั น, นั้นนีะ่อุภาพของกิจนี่แต่ถ้าหากว่าปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำหนาแน่นแล้วอึดอัดบนันะ้นักนวลลำบากมากไม่คล่องแคล่วเลย ดังนั้นเนี่ยทุกคนขอให้พากันทําใจให้สงบลงให้ได้